ทาได้ต่อไปยังไงครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เาคารพนับถือก็ไปร่วงโรยไปเรื่อยเื่อเรายังจะมาอยู่ด้วยความประมาทมันสมควรกับทำเลยความประมาทเป็นเรื่องเหมาะสมกับเรื่องของกิเลสซึ่งพาย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 ขึ้นชื่อว่าทรรมเป็นความชอบทรรมแล้วจริงทุกอย่างการละก็จริงการบําเพ็ญอะไรการละการถอนก็จริงนั่นไม่จริงไม่ได้ดูมูอเพื่อนของผมอินนาละอาใจก็โดยลาดับลาดับนั้นนั่นเองกพบวกลบคูณหารอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเพื่อนที่มาอาศัย เราทุ่มเพลงเต็มความสามารถพุชแน่พิชมในา ก, การรวมสั่งสอนไม่เคยปิดบังลีล้ลับถึงค่าวเปิดเปิดเต็มที่เปิดหมดหวัวอกเปิดหมดตับหมดปอดให้หมู่เพื่อนได้ฟังให้มันถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้จะมาเราเลาะแหลกแหลกมันแช่ได้ที่ไหนเห็นยัง ยถาตพีเท่านั้นก็ไม่ถูกนี่แสดงเห็นความหลออแหลกความเหลวไหลของเจ้าของมากเพียงไรไม่สนใจเห็นว่าไม่สําคัญก็คือตัวเองไม่สําคัญนั่นเองจึงเห็นสิ่งใดที่เป็นสาระเหล่านั้นไม่สําคัญมันขึ้นอยู่ที่ไหนไม่ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองยยะถาตพีบทธรรมต่างๆเหล่านั้นเป็นอาจเป็นธรรมใครจะนํามาเป็นประโยชน์ก็ได้ไม่นํามาทําเหล่านั้นก็ไม่มี สูญหายอะไรไม่เสียหายอะไรมันเสียหายที่บุคคลมันมันดีอยู่ที่คนไม่ดีอยู่ที่คนีการพูดไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมหรือการพูดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมเขาวยไหนจะเป็นความเสียหายจะทําจะวินัยได้อย่างไงก็ต้องมาเป็นความเสียหายจากตัวผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นสิไม่ถูกทำต้องเป็นความเสียหายสําหลักเราเอง มนเด็ดเทศทุกแง่ทุกมุมให้รู้เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องพวพันอันจะยังตนให้ตกต่ำลงไปมันอยู่เสมอนะมันมีอยู่ตลอดเวลาตัวเองไม่ทราบเนี่ยสำคัญไม่ทราบว่ามันมันเป็นสิ่งกดทวงภาษาธรรมะท่านเรียกว่ามันเป็นกี่เล่เราไม่รู้ไม่ทันมัน ทิ้งลังมัวที่เขาต่อยกันถ้าต่อยถูกที่สําคัญที่จุดไหนก็ตามก็คือผู้ต่อสู้นั้นไม่ทันนั่นเองรู้ไม่ทันรับไม่ทันจึงต้องเสียท่านี่เรารู้กลมายาของกิเลสไม่ทันมันแล้วจะไม่เสียท่ามันได้อย่างไรยืนเดินนั่งนอนมีกับอาการของความเสียท่าให้กิเลสทั้งนั้นนีท่าไหนที่ท่า เลืต่อสู้กิเดลสอยู่นั้นมเีเล็กนิดเดียวมีน้อยนิดเดียวถ้าจะไปวังเอาชาชนะจากก้าความน้อยนิดเดียวนั้นได้อย่างไรอันพูดไปพูดไปของเรื่องกิเลสมันก็ต้องเสกขึ้นมาอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสว่าท่านดุดาว่ากล่าวชที้ช้ำชายอะไรไปอย่างมันกิเลสไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องกระเทือนกิเลส กิเลส จ, จะชอ่ออย่างไรแต่เป็นเรื่องที่ถูกทำเมื่อเราไม่รู้กฎมายาของกิเลสมันก็ต้องคิดอย่างนั้นนี่เรารู้ไหมเรื่อ ง, องนี้อุบายวิธีแก้กิเลสก็สอนนี่หนักเบาขนาดไหนเป็นอุบายของการแก้กิเลสทั้งนั้นแล้วไม่ได้หาเรื่อ ง, องความเสียหายชิบหายผลปี้ไม่ดีไม่งามอะไรมาส่องสอนมุขเพื่อนจะหนักเบามากน้อยเพียงไรมีแต่เรื่องของ อุบายของการถากถานกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนอยู่ทั้งนั้นนะกิเลสที่มันเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็แทรกเข้ามาขวางทำเข้ามาก็ขวางตัวเองนั่นแหละไม่ให้เข้าถึงธรรมได้นี่ผลสุดท้ายก็จมไปตามมันไม่รู้ตัวเลยไม่ว่าเหยอยู่ตามลำพังมันก็ไม่ได้เรื่องครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแทนที่จะยึดจะถือเอาไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ตัวเองในฐานะที่ควรจะได้ ซึ่งไม่สุพิสัยมันก็ไม่ได้นั่นะเราจะเอาความดีความดีจากอะไรมันก็เลี้ยวๆไหลๆไปอย่างนั้นก็เคยบอกเสมอว่าบวชนั่นน่ะเรานําบวชยิเรศไม่ได้บวชนะยิเลศกับธรรมเป็นข้าศึกกันอยู่เสมอแม้ในขณะที่บวชมันก็ยังต้องเป็นข้าศึกมันไม่เคยมาเป็นมิตรกับเราเลยเหตุจะไหนหลังจากการบวชไปแล้วมันจะไม่เป็นข้าศึกกับเราอยู่ตลอด เ, เวลาถ้าเราไม่แก้สิ่งที่เป็นข้าศึกเราจะแก้อะไรเวลานี้ สิ่งที่เป็นคุณแล้วไม่ได้เป็นค่าศึกต่อเราจึงเรียกว่าคุณอย่างใดที่เป็นค่าศึกถึงนั้นไม่ใช่คุณต้องเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามากน้อยตามสิ่งที่มีอยู่นั่นแหล ะ, น, ะหนี่พิจารณาเลยผู้ปฏิบัตินี่ก็ลดลงลดลงกําลังบางชาติจิตใจมันถอยเข้ามาถอยเข้ามาโดยลําดับธรรมดนานไม่อยากรับภาระทุลังอะไรเลยนะอยู่ด้วยลำพังเจ้าของให้มาเป็นความสะดวกยิ่งกว่าการเกี่ยวข้องกับผู้คนมากน้อยพระเน้น แค่ไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่ได้รับความลําบากนะเพราะกําลังมันลดลงทุกทีทุกทีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์เลกน้อยมันก็ทุกได้ง่ายวิการได้ง่ายทุกกระทุกด้านกายนั่นแหละไม่ใช่อะไรกรู้ได้ง่ายสิวันหนึ่งวันหนึ่งจี่อยู่ตามลําพังสะดวกสะดว ก, ดวกไม่ยุ่งกับอะไร ควายุ่งอะ ไ, ไรมันหลักเพื่อนจะมาฟังการอบรมก็ให้กินให้จังเขาปฏิบัติสติเป็นของสําคัญเคยพูดเสมอนี่เว้นไม่ได้ขาดไม่ได้สติเป็นพื้นแห่งความเพียรจริงๆจากนั้นกับปัญญาตามกันมาข้างนอกข้างในจะทําอะไรควรพินิษพิจารณาความเคยพิจารณาอยู่เสมอเป็นนิสัยหนึ่งที่จะสั่งสมตัวขึ้นให้มีความแก่กล้าทางด้านปัญญาเวลาเรานามาใช้พิจารณาทาง ด้านธรรมชาโดยตรงเห็นพิจารณาเรื่องวิปัสสนาเนี่ยมันก็ไปได้คล่องตัวไปได้รวดเร็วกว่าที่จะจับมาฝึกเอาทีเดียวให้เป็นทีเดียวกิจการงานใดก็ตามสติให้มีความจดจ่อต่อนเนื่องกันเสมอกับงานนั้นๆนะพิจารณาทางด้านในงานนั้นก็ต้องมีความคข่ควรพื้นี้พิจารณาไปตามด้วยเวลาเข้ามาพิจารณาภายในมันก็ง่ายสติก็อยู่กับตัวอยู่แล้ว เคฝึกกันอยู่แล้วก็ไม่ยากปัญดาก็เคยพิจารณาอยู่แล้วนั่งก็คล่องตัวไปอือะไรก็ไม่ได้เรื่องแต่จะหวังจะตักตวงมารผลนี่ผ่านหวังเฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์ถ้าประโยชน์พ ย, ยายามไม่สืบเนื่องกันในความชอบธรรมที่ควรแก่ความเจริญของผิดิมันก็เจริญไม่ได้ขอให้พากันเข้าใจ งานของพระเรานี่คืองานภาวนางานต่อสู wehr, <ial> ้กับกิเลสเป็นงานอันเยี่ยมเป็นงานที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีงานอื่นใดที่จะยิ่งกว่านั้นจิตตภาวนานี้เลยสําหรับพระงานอื่นก็ทําไปเพรานั้นเราพอได้อาศัยอย่าเด่นเด่นดันดันเพ่นเพ่นพันผ่านการประกอบความเพียนให้เอาจีนออกจังเราไม่เห็นความเด่นเด่นดันดันเพ่นเพ่นพันผ่านไปตามกระแสของกิเลสคาดไปเหวี่ยงไปซัดไปถูไถไปว่าเป็น สิ่งประเสิฐเลื่อนเลยอะไรเลยมีแต่ความสรุปสองเม็ดเท่านั้นเมื่อมองไปเห็นอากาศริยายอย่างนั้นจะอยู่กับรายใดก็ตามเป็นนักต่อสู้อยู่เสมอทุกข่าก็ทุกสิทุกเพื่อสู้กิเลสมันเป็นความเสียหายลวมจมที่ตรงไหนการนอนจมอยู่กับกิเลสนอนใจอยู่กับกิเลสมันเป็นของดีเมื่อไหร่โลกนี้เคยจมกันอยู่อย่างนั้นแล้ว มันมีอะไรเป็นของแปลกของอศัศจรย์ในโลกนี้พิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมนี้ไหมอะไรประเสริฐในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมอ่ะให้มันฝังให้ธรรมได้ปรากฏขึ้นในใจดูทีปรากฏขึ้นมากน้อยจะเห็นความเด่นขึ้นเด่นขึ้นโดยหลับของจิตใจของธรรมขึ้นสัมปัสสัมพันธ์เล็กเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เสมอนี่แหละที่ท่านปล่อยเมื่อธรรมโผล่ขึ้นมากน้อยเพียงไรธรรมนี่เหนืออะไรที่ควรจะปล่อยนั้นได้ก็ต้องปล่อยนั้นโดยลําดับ เ้ราทําเป็นของประเสริฐโดยลํา ด, ดับไปแล้วเพียงขั้นใดปรากฏขึ้นมานี่ก็จะควรเหนือกับโปรกรมิสอันใดมันก็ปล่อยของมันไปโดยลําดับเขาขั้นล ะ, ล, ละเอียดก็ปล่อยละเอี่ยวก็ไปโดยลำดับดบรรดาจนกระทั่งไม่มีเหลือเพราะอะไรถึงปล่อยเพราะอันนี้ดีกว่าสิ่งอันั้นจะยอมถือสิ่งอันนั้นมาแข่งสิ่ของพิเศษได้ยังไงก็เหมือนกองงูกองพูดนามาแข่งทองคําทั้งแท่งมันควรกันได้เหลือเนี่ย ใครๆก็รู้คุณค่าของทองคําทั้งแท่งกับมูดพูดกองหนึ่งนั่นหรอมันเป็นไงเวลามันเทียบกันเข้ากับเทียบอย่างนั้นนี่มันปล่อยให้มันเองรู้เองอันใดที่ดีในใดที่แย่กันเหนือกันเหนือกันมันก็ปล่อยไปทางเหนือไปทางเหนือทั้งนั้นเนีอยมันไม่ลงทางต่ําเลยอะไรมีคุณค่าเหนือกันอันนี้มันไม่แต่กิเลสเหนือ กิจเหนือใจเหนืออัตนธรรมทำโพขึ้นไม่ได้แล้วจะเห็นอะไรเป็นของประเสริฐเป็นของแปลกประหลอัศจรรย์พอจะนํามาแข่งกิเลสอันก็ไม่มีอะไรจะแข่งเนี่ยมีแต่กิเลสเหยียบย่าทำลายอัตธรรมอยู่ภายในใจซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้จากผู้ปฏิบัติแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความนอนใจความตายใจความเอาสุขเป็นสุขก่อนหามนั่งอยู่เฉยๆสบายนอนอยู่้เฉยๆสบายไม่ต้อง ถี่บังคับไม่ต้องท ร, รมานฝึกฝนตนมันเป็นความสะดวกสบายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลก็เหยียบย่ำตลอเวลาแล้วหาของวิเศษวิสูรอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งอัดทำโอ้คู่แข่งกิเลสล่ละมันก็ไม่มีนี่แหละเรื่องมันไม่ปรากฏในใจเองเราจะไปคิดจะไปคา้เรื่องมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีให้ดูที่สัจธรรมมีอยู่ภายในใจของเรานี่แหละตัวก็ยืนทำยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยัน นักผลิภานว่าอยู่ตรงนี้อยู่ในถ้ำกลางแห่งสัธรรมนี้ทุกสมุทัยเป็นเครื่องผูมกมัดเป็นฝ่ายท่าศึกนี่รอดมากเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายดับทุกข์นี่เจริญมากคือความภาคเทียนสติปัญญาเป็นน้าขันขึ้นพายในใจั้งตนนี่เป็นการบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุงห้มห่อทั้งหลายภายในใจิตใจคือสมุทยัยให้จ่าลงไปโดยลําดับ คำว่นิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกเมื่อกิเลตดับไปมากน้อยความดับทุกข์นันก็เป็นไปตามนั่นแหละเป็นจิญญาณเท่านั้นทำสองอย่างเป็นเครื่องกีดกันมาผลนิพพานไม่ใช่ดินฟ้าอากาศการสถานที่เว ล, เวลาที่ไหนที่จะมากีดขวาง ม, มาผลนิพพานสมัยนู้นสมัยนี้สมัยไหนจะมาเป็นข้าศึกต่อมาผลนิพพานไม่มีนอกจากกิเลตเท่า น, นั้นเป็นข้าศึกต่อมาผลนิพพานกิเลตคืออะไรคือสมุ ท, ทยัย นั่นที่ราคะกาตาตตะตรายพินนินีส่วนใหญ่ก็คือว่ากาเสื้ออย่างที่ดังคืออะไรเป็นว่าการมัตรฐาพราควัฏหาวิภูวัฏหาความอยากความดิ้นรนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนี่ไม่หาความอิ่มพอไม่ได้ก็คือกิเลสตัณหาเนี่ยจะให้มันมากเท่าไหร่มันก็ไม่พอเนี่ยตัวกิจปิดกั้นมะผลนิพพานอยู่ในหัวใจของเราเนี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกยังเกิดขึ้นอยู่เสมอพร่หน้าของสมุทยเป็นผู้ผิดขึ้นมามากคือข้อปฏิบัติเป็นเครื่องทําลายสมุทัย ผิดขึ้นมาแก้กันเนี่ยทำฝ่าแก้มีอยู่สองคือมากกับนิโรธนี่เท่านี้อย่าไปหาอย่าไปคาดแต่หมายที่อื่นที่ใดอย่าไปหาตะคุบเงาเงามันอยู่กับตัวมันอยู่กับเราจะแท้ไปหาตะคุบเงาทําไมของจริงอยู่กับเราเงานั่นของจริงเมื่อไหร่มันเป็นของเทียมเทียมขึ้นมากับตัวของเราเองจึงเรียกว่าเงาเมื่อผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นแหละเงาตัวกินอยู่ที่นี่กิเลสเวลานี้เป็นยังไงสมัยไหนกิเลส มันไปอยู่กับสมัยนู้นสมัยที่ที่ไหนเราก็เห็นไหมไปอยู่กับต้นไม้ภูเขาอยู่กับกินฟ้าอากาศที่ไหนหรือดินน้าลมไฟที่ไหนไม่เห็นมีมันอยู่ที่หัวใจมันมีการมีสมัยไหมกิเลสครอบหัวใจของสารโลกไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นทูตที่จะแก้กิเลสจะไปหาการสถานที่ที่ไหนบําเพ็ญทำนั่นจึงจะทันกิเลสมันมีอยู่ที่ตรงไหนก็ฟาดลงที่ตรงนั้นเลยสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกขยอมรลบวัตทุกขละ ทำงานทำไมจะว่าเขาทุกข์หรือเข้าสู่ ส, สงครามต่อสู้กับวิกฤตทำไมจะไม่ทุกข์เขายอมยอ ม, ยอมรับสิถ้าจะเชื่อทำพระพิกธเจ้าเขาต้องยอมรับพระพุทธเจ้าเคยทุกข์มาแล้วไม่ใช่ครูล่างมือควายเปิดแล้วมาสอนพวกเราให้รับเป็นกลองให้เป็นกองทุกข์อย่างนี้ดี๋ยวความตะเกียบตะการเพราะความเพียรลําบากลาบนพระพุทธเจา้าในล่างมือเปิดสาวพวกทั้งหลยล่างมือเปิดมีที่ไหนองค์ไหนก็ถ้าสลับทั้งหลายก็มีมีมากมายที่จะเพราะความทุกข์ก่อนลำบาก ในการประกอบความภาคเพียจรจึงได้เป็นผู้พิเศษขึ้นมาท่านพิเศษขึ้นมาด้วยทางแถวนี้เหนยหนักก็สู้ชื่อว่าเป็นนักรบแล้วไม่ถอยนี่ทางของศาสนาทางภาาบกที่เป็นเสน่ห์ของพวกเราท่านดำเ น, นินอย่างนี้เราจะเดินทางไหนท่านเคยสําเร็จผลในทางไหนท่านก็ น, นําทางนั้นมาสอนเราเพราะทางอื่นไม่มีใครจะชนะยิง่งกว่าพระพุทธเจ้าภาษาวกท่านที่นำธรรมมาสั่งสอนโลก ฉลาดแหลมคมขนานไหนแลเลือกเฟ้นหมดแล้วว่าทางใดไม่เหมาะนอกจากทางคือมจัจจิมาปฏิบัติานนี้เท่งงานั้นเป็นทางที่เหมาะสมกับการแก้กิเลสจึงได้กระทานทำเหล่านี้ไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้คุปปติบัติมาผลนิพพานนี่ที่ไหนมาอยู่ที่หัวใจแจ้งที่มันมืดมนอุปการอยู่ที่ตรงไหนความมืดมนอุปการนั้นแรเป็นสิ่งที่ปกปิบังความสว่างกระจ่าง แ, แจ้งแห่งความจริงคือธรรมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใ จ, จดวงเดียวกันะมาเปิดออกมากน้อยก็สว่างกระจ่าง แ, แจ้งขึ้นมา เปิดออกเต็มที่มันมียี่เลี่ตัวใดเหลืออยู่เลยความมืดก็ไม่มีเลยเออจะถามหาความสว่างภายในใจที่ไหนที่นี่อโลโกคุตปาดิทันวะในธรรม จ, จักรกับพระสูตรสว่างโลกทั้งกลางวันทลางคืนได้แก่อะไรก็ได้จะ่เอโปธโมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนั่นแหละท่านไม่มีหรอกคว่ามืดว่าสว่างเหมือนเมื่อวันปีเดือนนี้ไม่มีกิดตรงนั้น้ตลอดได้สว่างแล้วสว่างไม่มียิ่เลีตัวใดก็ไปคร อ, อบได้เลย อยู่ที่ใจอย่าไปคาดกาหมายสิ่งที่ปกคุมหุ้มหอ่อทั้งภายนอกภายในก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วรูปเสียงขึ้นวัตถุเพื่อนสัมผัสแต่และอย่างละอย่างเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือได้เพราะอํานาจของกิเลยพาให้สําคัญมันหมายให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธในสิ่งนั้นเกลียดก็ติดได้ โกรธก็ติดได้รักก็ติดได้ชังก็ติดได้เพราะเป็นเรื่องของยิ่งเลด้วยกันมันติดกันได้ง่ายๆนี่แต่ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่รกักไม่ชังนี่คือธรรมเราจะพิจารณาให้ถึงแกนแห่งความจริงคือไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธเพระาะทราบตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นของลำบากนี่หละัะทำแท้เป็นอย่างนี้แต่ความรักความชังความเกลียดความโกรธเป็นของปลอมทั้งนั้นต้องแท้อยู่ภายในจิตไม่ใช้เป็นเรื่องแท้มันจึงทําจัดโลกให้ ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความรักก็มีเพราะความชังก็มีความเกลียดความโกรธก็มีมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพลิกอย่างหนึ่งก็เป็นหนึ่งพลิกอีกย่างหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยสันทันในของกิเลสเต็มไปหมดไม่มีอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเถ้าไม่ใช้สติปัญญาให้แหลมคมกว่ามันมันมีทางแก้มันได้ตอาางฟัดมันลงอีกดีนอกจากความปกปิดกำบังภายนอกยึดใหนถืองม ง, งาอแบบมึงง่ายแล้ว มันก็ยังมีในขันอีกรูปคือร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขานวิญญาณความสุขความทุกข์เฉยเฉยมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจยักระทั่งถึงวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังความความจรินทาของกินได้ทั้งนั้นท้องกิเลสถือเป็นเครื่องมือทั้งหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นนิบากของกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากหน้าของกิเลสนิบาสของกิเลสก็คือร่างกายนี้สัญญาสังขันวิญญาณก็เป็นเครื่องมือของกิเลส ตัวทีเล็กถัดดันออกมาให้สําคัญมันหมายอย่างต่ามันเป็นเครื่องปกปิดทําบังวัปุญญิพานได้ทั้งนั้นเพราะท่านจึงต้องเปิดให้รู้ให้เห็นความจริงแล้วปล่อยกันไปโดยลําดแบบับรูปมีอะไรบ้างในรูปนี้นะเปิดเข้าไปที่กองบาดภ า, าผีดิตทั้งคนทั้งคนทั้งคนทั้งหญิงทั้งชายที่นาหเห็นตาม ง, งจริงแล้วมันก็เปิดทั้งมันเองต่อยของมันเองเมื่อปล่อยลงไปมันก็ชัดแจ้งลงไปเรื่อยๆแล้วจะไปติดอ้ค์ตรงไหน เมือนพิจารณารอบขอดชีดหมดแล้วมันก็เปิดเผยเต็มที่เป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองถามหาที่ไหนที่มีมรรคผลนิพพานเหมือนง เ, เราอยู่ว่ัดป่าบแรดาไปถา ม, มาวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกพู้อยากมาว่ า, ว า, ราบรรดาเมื่อมาถึงวัดตัาบรรดาแล้วอยากไปที่ไหนอีกวัดป่าบรรดาที่ไหนยังอยากไปวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกนั้นก็หมดความอยากนั่นนี่อยากความอยากของทำก็อยากเพื่ออิ่มพอนั่นเอง ไม่ได้เหมือนความอยากของกิเลสความอยากของกิเลสหาความอิ่มพอไม่ได้แต่ความอยากของธรรมนี่มีความอิ่มพอได้พอถึงที่แล้วก็หาอยากหาอยากเป็นลําดับลำดาไปถึงจุดไหนก็หาอยากจุด น, นัน่นถึงจุดไหนหาอยากจุด น, นัน่นถึงที่สุดบิมุดหลุดพ้นแล้วหาอยากโดยประการทั้งปวงแม่นิพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรนิพานคืออะไรต้องรู้เองนะก็พูดไปพูดไป มันอดไม่ได้นะจะทำไหเขาพูดมาหนังเร่งไปตามเรื่องเขาพูดมันประกาศเตือนแต่ส่งจิตออกข้างนอกรู้ภายในถ้าส่งออกนอกก็ออกส่งไปเทียบเคียงในเหตุในผลในอานในธรรเพราะเป็นธรรมทั้งข้างนอกข้างในถ้าจิตผู้พิจารณานี้เป็นธรรมเป็นได้ทั้งข้างนอกข้างในเช่นเดียวกับสมุทัย มีได้ทั้งภายนอกภายในคิดใ ok ห้เป kind of mm ็น hmm. ยิ mm ่งเร็วเป็นได้ท <forecasting> ั <moderate> ้งนั้นข้างนอกก็เป็นได้ข้างในก็เป็นได้คิดให้เป็นธรรมข้างนอกก็เป็นธรรมข้างในก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นผู้มีสติปัญญาจึงได้ประโยชน์ไปโดยลําดั่งนาโดยประโยชน์ตลอดไม่ว่าจะพิจารณาข้างนอกตลอดพิจารณาข้างในเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่พิจารณาเป็นยิ่งเล็วมันก็เป็นยิ่งเล็วไปหมดไม่เป็นธรรมเลย อยู่ด้วยกันก็นานเป็นยังไงภาวนามันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวสอนก็สอนถูกจุดที่หมายทุกแง่ทุกมุม อ, อยู่แล้วทำไมผู้ปฏิบัติอมันถึงไม่เป็นไปว่าแสดงมันไม่ได้เป็นไปตามที่สอนนี่เองเป็นไปตามที่สอนมันจะไปไหนพ้นวะเพราะว่า น, นต้นดาวเกาหมัดมาสอนนี่มันด้อวดนะผู้ตามความจริงนี่ไงเพราง น, นการสอนแสดงหาครูอาจาร ที่ถูกต้องแม่นยำในการให้วาสอสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากทีเดียวสำหรับผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติทั้งหลายจำปาทจะจากครูอาจารย์ไม่ได้เรายอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยความอยากอยากเท่าไรก็อยากแต่ว่าดำเนินไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลนะ่ะตรงนี้ผู้แนะนำอุบายวิธีสังส้งวิธีต่างๆในการปฏิบัตินันนักไม่เข้าใจและจริงจังต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง นำมือปฏิบัติตัวจริงๆผลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนี่ว่าถ้ามันจริงจังมันมันตากฏนีนะสมาธิมันจะไปไหนโพ้นหว่าความพุ้งซ่านพราะอะไายฟุ้งซ่านก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสพายฟู้งซ่นมันพุง้งซ่นที่ตรงไหนตั้งหน้าต่างตาเข้าตรงนั้นเข้าจุดนั้นบังคั บ, บันที่จุดนั้นเหมือนกับ เอาเป็นก็เป็นตาก็ตายสร้างกันลงนั้นสติจะปัญญาถ้าถ้าจะใ้าปัญญาก็ใช้ลงที่นั้นถ้าจะใช้สติจอบบังคับกันไม่ให้มันคิดมันจะไปไหนว่าจิตนี่่อาสมมุติว่าบริกรรมทางไม่ถี่เหมือเช่นเราบริกรรมทําบุตรใดเพิ่มเริ่มพื้นฐานบางต้นเราบริกรรมห่างๆไม่ถี่มันแทรกได้ความคิดปุ่มแตะออกมาได้ขยับเข้าไปความตั้งใจมีอยู่ขยับเข้าจนถี่ยิบ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 มทำอะไรเข้าไม่ถึงเหตุถึงผลถึงคลิกถึงขินมั น, ม, นมันก็ไม่ทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจนประจับกับตัวแหละนั่นก็เลาะเละแหละเรียวเลีแลๆอยู่นั้นวันนี้ก็อย่างนี้วันหน้าก็อย่างนั้นวันไหนก็วันนั้นเมื่อกับแจ้งกันนั้นเราเพราะเรามันไม่จริงเล็กจังอะไรกับสิ่งที่ควรจะจริงมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เลยอท่านปัญญาอธิบายอยผมบ้นง